กรรมฐานอย่างนี้ง่ายๆไม่ได้ยากอะไร mm hmm. เป็นแค่จุดตั้งต้นที่แตกต่างกันเท่านั้นเองกรรมฐานอะไรก็ได้เ mm hmm. บื้องต้นทำสักอย่างหนึ่งแล้วก็มาหัดรู้สภาวะไว้พอจิตจำสภาวะได้สติเกิดเองทันทีที่สติเกิดเองจะไม่มีคาว่าสายไหนสายไหนแล้วนะไม่มีแล้วสายกายสายเวทนาสายจิตนะมีแต่สายไปแล้ว <laughs> ถธอไม่ทำนะถ้ามีสติล้าก็ไม่สายไปแล้ว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 ส่วนเราเป็นกาลยาณนะปุถุชนเป็นปุถุชนที่ดีปุถุชนแปลว่าหนานะกิเลสหน้านั่นแหละไม่ใช่อะไรหน้านะกิเลสนะไม่ใช่สมองหนากโลหหน้านะกิเลสหนาหมายถึงว่ากิเลสเนี่ยมีแรงมากลากจูงจิตใจเราไปลงนรกเราก็ยอมไปกับมันนะเอาความหอมหวานมาหลอกมาลอ่อฉะนั้นเราค่อยศึกษาไปนะจนกระทั่งวันหนึ่งงานเสร็จแล้วงานเสร็จแล้ว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 พยายามไปเรียนแบบหลวงพ่อมนตรีท่านชอบเดินจะไปเดินตามท่านเอาละ ว, ว่าทางใครทางมัน <c oughs> หลวงพ่อลากเก้าอี้มาเลยนะนั่งมันเลยไม่เดินแล้วจะนั่งก็เราถนัดนั่งนี่ น, นี่มีเคล็ดลับนะใครถนัดเดินก็เดินนะใครถนัดนั่งก็นั่งถ้าใครถนัดนอนก็นั่ง น, น, นะนี่เป็นเคล็ดลับนะ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 มันก็ยังไม่พ้นมันเหมือนว่าเราก็อยากที่จะไม่อยากมีเป็นอย่างนั้นอยู่อะคะ่ะนี่นเป็นกิเลสอีกตัวอ <c oughs> ชื่อกุกุจจา <c oughs> กุกุจจานี่เป็นหมัดเด็ดของกิเลสนะเอาไวช้ชก <c oughs> คนดี <c oughs> ไม่ชอบชั่วอยากดี <c oughs> ใช่แล้วมันจะซ้อนกันขึ้นมาเองมันจะเกิดความไม่สบายใจมาอีกตัวมากเลยนะคะถ้ารู้ทันมันก็